ปาราชิกสิกขาบทที่สองสถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สองณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชคฤื้ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระธนิยกลุมพระการบุ ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระธนิยะกุมภการบุตรถือเอาไม้ของหลวงที่ยังไม่ได้พระราชทานในปาราชิกสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปปณะบัญญัติถามมันดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่